การเคลื่อนไหวทำงานแข่งกับเวลาก็เริ่มขึ้นในบัตรนั้นเชือกไนล่อนเส้นเชือกสำหรับก้านสัมภาระขึ้นเบื้องสูงหรือถ้าจาเป็นก็อาจใช้เป็นบันไดเชือกไต่ข้ามหน้าผาระหว่างปีนเขาถูกนามาต่อกันโดยเร็วแยกออกเป็นสองเส้นเส้นละสองเกลียวที่นำมาควายพันกันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเหนียวแน่นทุกคนเข้าใจดีแล้ว ว่าวิธีจะกู้เจ้าด้วนขึ้นมาจากบ่อคโคลนจะกระทำโดยวิธีใดขยินลงเลื้อยเป็นจระเข้สายหัวเดีย่ยวเดียวไปตามพื้นผิวโคลนดูดนั้นทันทีโดยการช่วยเหลือกันคนละไม้ละมืออย่างสันทัศน์ในงานของพวกลูกหาบเจ้านักเลื้อยแห่งหล่มช้างนํำโกระสอบปานที่พวกลูกหาบใช้ปูนอนและบรรจุ ข, ของไปด้วยและช่วอึดใจเดียวมันก็ถึงตัวด้านหน้าของช้างผู้คระไรของดาริน ซึ่งบตดนี้ยืนสงบนิ่งคงมีก็แต่งวงที่ชูเป่าลมออกทางปากเป็นระยะระยะเท่านั้นพอถึงขยิงก็จัดการเอากระสอบปานพันรอบโคนขาของเจ้าด้วนไว้อย่างแน่นแน่นหนาทั้งสองขาโดยใช้เชือกเส้นเล็กๆมัดติดไว้ก่อนแทนปลอกเพื่อกันไม่เชือกใหญ่อันจะใช้ผูกทำการบาดผิวหนังของมัน ขนาดที่มีพลังมาหาศาลจากต้นไม้ฟาดเป็นเครื่องฉุดดึงขยินคล่องแคล่วฉับไวมากในภาวะจำเป็นเช่นนี้แหละทุกคนจึงจะเห็นความสามารถเฉพาะตัวของมันเชือกในลอนขนาดเครื่องควนสองทบมัดอย่างหนานแน่นพันรอบขาข้างหนึง่งเสร็จแล้วก็ย้ายไปมัดอีกข้างหนึง่งเสียงนั้นอินตะโกนเตือนมาว่า ให้ใช้เงื่อนผูกแบบที่แน่นที่สุดซึ่งขยินก็หัวร่อราตะโกนตอบมาว่าถ้าแม้เจ้าด้วนไม่สามารถจะขึ้นจากกลมโครนได้ขาหน้าทั้งสองขาของมันก็จะต้องขาติดตามสายเชือกขึ้นไปทีเดียวไม่มีวันที่จะหลุดได้เด็ดขาดบรรยากาศรอบบอ่อโครนดูดกำลังชุนละมุนช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างแข่งกับเวลาและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ นายชวนกับลูกน้องอีกครึ่งหนึ่งก็ถูกนันอินบัญชายไปแสวงหาเส้นไหวอันเหนียวแน่นซึ่งมีอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ห่างไกลกันนักจัดการมาถักพันเป็นบ่วงวงกลมซึ่งดูแลจะแน่นหนาเสยิ่งกว่าเชือกไนล่อนอีกใช้ยันเป็นคนบงการให้คล้องมัดเข้ากับบริเวณโคนต้นสยามตำแหน่งที่สูงขึ้นไปจากบริเวณประมาณหนึ่งวาครึ่งโดยติดกับตาไม้อย่างแข็งแรง ชนิดจะไม่รูดหลุดออกมาได้ขณะที่ลำต้นล้มฟาดไปยังอีกด้านและบ่วงไวที่คล้องมัดต้นไม้ก่อนก็นำมาผูกมัดเชื่อมติดกระสายเชือกในร่อนซึ่งมัดโยงอยู่ที่โคนขาด้านหน้าของช้างใหญ่ทั้งสองข้างอันขยินนำเลื้อยกลับมาให้ระยะของมันพอเพียงทีเดียวพวกที่อยู่บนฝั่งก็ช่วยกันผูกเชือกกระบ่วงไวอีกทีหนึ่ง ภายใต้บงการดูแลของหนานอินโดยรั้งเส้นเชือกให้ตึงเปรี้ยวระหว่างช้างกับต้นไม้ซึ่งหมายความว่าหากลําต้นโอนล้มไปฝั่งตรงข้ามเมื่อไรก็จะเป็นการฉุดลากช้างที่ไปปลักโคลนให้เคลื่อนเข้ามาหาริมบ่อโคลนหรือหลุดพ้นจากบ่อโคลนดูดในทันทีตามหลักของกลาศาสตร์เครื่องทุนแรงวุ่นวายกัน เกี่ยวกับเรื่องการมัดโยงเจ้าด้วนไว้กับต้นไม้ประมาณร่วมชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเรียบร้อยระหว่างนี้ชัยยันภายใต้การหารือและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดของเชษฐาก็หาจุดที่จะฝังระเบิดและกะปริมาณของดินระเบิดไว้พร้อมสับแล้วนี่จะรับผิดชอบนะแต่เจ้าด้วนเกช็อกตายซะก่อนด้วยอานาจระเบิดอะ เชิดากระสิบเตือนอีกฝ่ายแยกเขี้ยวโธเชื่อมือเะนะไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องวางระเบิดที่ฉันมันมือระดับมือครูไม่ใช่ระดับลูกแถวขอยบอกเท่านั้นแหละว่าจะให้มันระเบิดหนักหรือเบาแค่ไหนจะเอาแค่ตับสุดหูหนวกหรือใจหายไปทั้งตัวได้ทั้งนั้นเว้ยไม่มีการตับสุดไม่มีการหูหนวก แล้วก็ไม่มีการหายไปทั้งตัวด้วยแต่ไอ้ด้วนจะต้องถูกฉุดขึ้นมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ความปลอดภัยนั่นหมายถึงพวกเราทุกคนด้วยสบายรับรองว่าพอตึงตึงหูแผ่นดินถ้าจะไม่ไหวสะเทือนเลยฟ้าผ่าดังกว่า่ะอดีตนายทหารปืนใหญ่มือวินัสกรรมระเบิดชั้นเชี่ยวชาญบอกมาหน้าตาเฉย ตำแหน่งการวางระเบิดมันแสนที่จะสะดวกง่ายดายอยู่แล้วสำหรับสยาต้นนั้นเพราะโคนและรากด้านตรงกันกัดที่เจ้าด้วนหันหน้าไปเกาะอยู่กับดินลูกรางและแง่หินเผยออกเป็นโพรงลึกเข้าไปร่วมว่าดูจากสภาพของโคนอันมีราเกากะอยู่ยังมินเมกะก้อนหินและลำต้นทำมุมเอียงอยู่ก่อนแล้วนั้นมันบอกชัดว่าไม่ช้าก็เร็ว สักวันใดวันหนึ่งเพียงแค่พายุพัดมาทางด้านใต้แรงหน่อยเท่านั้นมันก็มีสิทธิจะถอนรากถอนโคนล้มลงไปเองได้แล้วชยันกะขนาดของดนินไม้ชนิดระเบิดหินพอให้ตัดรากถอนโคนที่มินเม้นั้นออกรวมทั้งให้มีพลังพอที่จะงัดดินปนหินบริเวณโคนต้นขึ้นมาในปริมาณที่สยาต้นนั้น จะไม่สามารถยืนอยู่ต่อไปได้จากนั้นก็วางสายชนวนอย่างง่ายๆโรยออกมาแค่สิบวารบอกให้ลูกหาบทางด้านที่ช่วยเขาอยู่จัด ก, การอัดดินกลบเข้าไปในโพรงนั้นให้แน่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเขาก็ตะโกนอา้าวทุกคนลบเข้าหาพี่กำบางหลังก้อนหินนั้นในหมดเร็วให้เวลาสามนาทีนะ เขาชี้มือออกไปทางก้อนหินขนาดเขื่อมอันอยู่ทางซีกซ้ายของบ่อคโคลนดูดห่างไกลาจากบริเวณโคลนต้นไม้ที่อัดดินระเบิดไว้ออกไปในรัศมีที่พอจะปลอดภัยจากก้อนดินหรือหินที่จะถูกอัดลอยขึ้นมาเชษฐาอนุชายังยืนมองหน้าเขาอยู่เหมือนจะไม่แน่ใจนะักกำลังจะอ้าปากถามอะไรมาอีกแต่ชายันไม่สนใจ แย่ก้นบุรีที่ติดไฟหมักเข้าไปที่สายชนวนปะทุแล้วกระชากไหลเพื่อนทั้งสองพร้อมกระบอกเบาๆว่าเ hey, ฮ้ยลบหลังต้นกลางใหญ่นั่นใครชาขาขาดไม่รู้ด้วยนะเว้ยอนุชาเชษฐาเพ่นเข้าไปบังอยู่หลังต้นกลางขนาดห้าคนอกก่อนชัยันวิ่งคุ้มตัวตามหลังเข้ามาเป็นคนสุดท้ายระหว่างที่สายชนวนเริ่มปะทุลั่นไล่เข้าไปหาต้นสยานั้น เขาก็ป้องปากร้องบอกไปทางเจ้าด้วนด้วยอารมณ์ขนองว่าเฮ้ยด้วนคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วของเองไว้นะเว้ยบางทีขาเองอาจจะหลุดไปเชื่อขึ้นมาแต่ตัวเองนอนแช่ชเพียงแต่ขาดเสียงประโยคสุดท้ายของอดีตนักวินาสกรรมมือ นดินบริเวณนั้นก็ไหวสะเทือนยวบเศษดินและเศษ ร, รากไม้ใต้ต้นสยาถูกอัดกระจายปลิวว่อนไปทั่วสารทิศได้อยู่ในรัศมีจำกัดเพียงห้าหกวาเท่านั้นและแผ่นหินขนาดใหญ่ที่รากบางส่วนเกาะ อ, อยู่กระดอนหลุดจากที่ของมันกลิงลุลุ ล, ล, ลงไปตามทางล่าชันเบื้องล่างเสียงของมันดังไม่มากนักเป็นเสียงทึบๆหนักๆ อยู่ใต้แผ่นดินซะมากกว่าต้นสยาสถานไปทั้งต้นเหมือนมือยักษ์มาจับสันแต่มันก็ยังยืนในมุมสี่สิบห้าองศาอยู่ในลักษณะเดิมเฮ้ยชัยยันมันไม่ล้มวะสงสัยดินระเบิดของแกน้อยไปซะละอนุชาร้องขึ้นชัยยันเอามือวาดริมฝีปากตบไปลเพื่อนเบาๆใจเย็นๆ เ, เพื่อนยาก โดยทฤษฎีมันต้องลมสิถ้าไม่ลมแล้วเดี๋ยวจะนอนในทุกคนเหยียบเอาละนะดูไปว่ามันจะลมเมื่อไรฉันจะนับถอยหลังละนะอ่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกเพียงแค่นับถึงหกเท่านั้น ลำต้นอันสูงชะลูดลิบลิวชูยอดขึ้นไปบนท้องฟ้าของสยาต้นนั้นก็เริ่มเอียงเทลงอีกแล้วเอียงลงไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเรากับจะมีปากประกาศิทธิ์มาสั่งไว้คนต้นที่เป็นโพรงใหญ่ลึกอยู่ก่อนแล้วเพราะอำนาจระเบิดอัดนั้นถูกงัดดินพูนสูงขึ้นมาอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงลั่นเปรอะ สะท้อนก้องไปทั้งดงแล้วมันก็ถึงแก่การกิริยาสมคเนของเชฐาทุกอย่างสยาต้นนั้นค่อยๆเอียงโคนงัดราถอนโคนลงอย่างละมุนละไมสวยงามที่สุดลำต้นอันยาวเหยียดของมันที่เอ็นอยู่ก่อนแล้วเอ็นต่ำลงไปอีกเสียงไม้ล่ฝั่งตรงข้ามหักครืนโครมสนันวันไหว ทวีความรุนแรงขึ้นทุกทุกเสี้ยววินาทีตามการล้มฟาดลงไปพาด ท, ทับของมันชา ย, ยันตบปากตัวเองแล้วโห่ร้องเป็นจังหวะราวกับพวกอินเดียนแดงดังกลัวไปกระสำเนียงเสียงไม้ใหญ่โค้นนั้นป่าอันเคยเงียบสงัดแตก ค, ครื้นครันสายตาของเชิฐถาเบิกจ้องจับไปยังอาการล้มของต้นไม้ใหญ่ต้นนั้น เขาภาวนาขอให้มันล้มฟาดไปติดคาอยู่ยังยอดไม้ของฝั่งตรงข้ามในลักษณะลมเอ็งตามที่กำหนดไว้ขออย่าให้มันฟาดละลิ้วลงไปต่ำกว่านั้นอีกเลยส่วนสายตาของอนุชากระนันอินจับนิ่งไม่กระพริบไปยังสภาพของเจ้าดวนผู้ยืนอยู่ในปลักทันทีที่ต้นไม้เริ่มเอ็นตัวฟาดลงร่างอันใหญ่โตของเจ้าดวน มีอาการราวกับถูกพลังมหายักษมาฉุดลากตามแรงเอนล้มของสยาต้นนั้นตัวของมันถูกลากจูงด้วยสายเชือกโคลนตัอชกเป็นคลื่นแตกกระจายและร่างกายอันใหญ่โตก็ถูกฉุดกระชากให้ลุดลัวขึ้นมายืนตัวดำมิดหมีอยู่บนพื้นเหนือบริเวณหล่มโคลนดูกนั้นห่างจากโคลนไม้ล้มประมาณสองวาน มีโคลนเหลวๆหล่ลนจากร่างกายลงมากองอยู่กับพื้นดังเพละเพละเท่าๆกับต้นสยาก็ล้มลงใบฟาดคาอยู่กับยอดไม้ฝั่งตรงข้ามซึ่งหักยับระเนนเป็นเหมือนสะพานทอดข้ามระหว่างหุบต่อหุบเสียงเจ้าด้วนร้องแปรนยาวขึ้นกึกก้องเสียงชยโยโหร้องของพวกลูกหาดที่ดังอยู่อึงคะนนึงไปทั้งป่า ด้วยความไปติดีใจขีดสุดเขียฐานหลับตาลงพร้อมกับถอนใจออกมาเหมือนยกภูเขาออกจาก อ, อกส่วนอนุชาดีดนิ้วออกไป้องนิ้วไปให้ชัยยันผู้วางระเบิดจับอดีตนายทหารปืนใหญ่จับมือเพื่อนทั้งสองไวยมือคย่ไอ้สัตวชายก็ขยิามีกันดีปขามกลางเสียงโห่ร้องเปลียวกราว และเสียงร้องยาวของเจ้าด่วนอยู่เช่นนะั้นได้พิเศษสุดไม่น่าเชื่อเลยไอ้ด่วนขึ้นมาได้เต็มตัวแล้วยังปลอดภัยที่สุดนั้นอินร้องบอกมาเสียงหลงทางตัวแกเองและทุกคนก็เล่นครูเข้าไปที่โคจชะสารใหญ่รเกับว่ามันเป็นมนุษย์ผู้ร่วมคณะคนใดคนหนึ่ง โดยไม่มีใครคิดว่ามันอาจจะอะารวาดหรือก่อการวุ่นวายใดๆขึ้นในทันทีที่พลกลัแรนะยิมมาไ อ, อ้ตายแล้วไอ้ด้วนเอ้ยบุญของเอง แ, แท้ที่ได้เจ้านายมีวีมือมีปัญญาดีมาช่วยเหลือโอ้ยบุญกันจริงๆไอ้ด้วนครูพรานผู้เท่าวิ่งเข้าไปลูกที่ปลายงวงของมันอย่างปราบลื้มยินดี ทั้งๆ ท, ที่ปกติแกก็ไม่เคยให้ความสนิทสนมหรือสนใจอะไรกับมันมามากนะักพูดมาเป็นเสียงสั่นเครือขยินเองก็เข้าไปยืนยิน้มกลิ่นอยู่ตรงหน้ามันโดยไม่มีความหวาดระแวงใดๆอีกทั้งๆ ท, ท, ที่ในอดีตเคยกวดไล่ ก, กันมาก่อนนับครั้งไม่ถ้วนพวกลูกหาบทั้งหลายก็กระโดดโลดเต้นอยู่รอบๆกายของมันเจ้าด้วน ย, ยืนน้ำตาไหลาพากอีกครั้ง ถูงงวงขึ้นสูงและส่งเสียงยาวเป็นระยะระยะเหมือนจะกล่าวขอบคุณทุกคนวิชากลาศาสตร์กับเลขาคณิตของแกยั่งยำมากนะเช่ธาสยาต้นนั้นล้มฟาดไปหยุดคาอยู่ในมุมแค่2ี่องศาพอดีวะ่ะตามที่แกะกะไว้ไม่คลาดเคลื่อนไปเลยนี่ถ้ามันล้มต่ำาวัานนี้เจ้าด่วนก็อาจจะต้องขาหักหรือไม่งั้นก็ถูกลำต้นสยาลนะ้ะน่ะ ลากกระเด็นพลัดล่นลงเขาไปแล้วก็ได้ใช้ยันหันมาชูหัวม่มือให้อดีต ท, ท่านทูตทหารบุกอีกฝ่ายหนึ่งยิ้มแจมใสขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่น้องสาวอันต ร, รธานหายไปตบไหลเพื่อนโดยแรงเออแล้ววิชาวางระเบิดวินาศกรรมของแกก็อยู่ในขั้นปรมาจารย์ถ้ามันผิดส่วนผิดอัตราไปกว่านี้พวกเราคงถูกแรงอัดของระเบิด ตายกันไม่มั่งแล้วแต่นี่มันพอดิบพอดีเหลือเกินแม่แจวจริงๆส่วนพลานชดนี่ก็ตัดสินใจได้รวดเร็วสั่งการประสานงานได้วิเศษสุดเยี yeah! ่ยมใช้ยันหันไปกอดคออนุชาหัวเราะร่าอย่างเป็นสุขถ้าพวกเรามีความสามารถมีสติปัญญาพร้อมใจสามาคัคคีประสานงานกันได้ดีแบบนี้ก็ไม่ต้องยันอะไรอีกแล้ว ถึงไหนถึงกันถึงจะไม่มีระพินไพรวันหรืองแงซายก็ตามไปเราไปเยี่ยมไอ้ด่วนกันเถอะดูถ้ามันก็ดีใจมากที่รอดตายมาได้มันไม่เคยยืนเสื้อเสื้อในพวกเราคนใดเข้าไปจับนวงจับงามแบบนี้เลยนอกจากน้อยคนเดียวเท่านั้นและทั้งสก็พากันเดินตรงเข้าไปที่เจ้าดวดช้างใหญ่ผู้ซึ่งเพิ่งจะถูกดึงขึ้นมาจากบ่อโครนได้โดยสวัสดิภาพทันที ต่างยิ้มให้กัมันอยู่เบื้องหน้าเฉถาเดินตรงเข้าไปใกล้อีกมันยื่นงวงมาให้เขาอดีตท่านทูตทหารบกจึงจับไว้แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสมันดวนบารมีของหลวงพ่อทวดที่นายหญิงคล้องคอเจ้าไว้แท้ๆเท่านะที่ทำให้เจ้ารอดตายอยู่ได้จนกระทั่งพวกเรามาช่วยได้ทันการแล้วก็ช่วยได้อย่างดีที่สุดด้วย หวังว่าเจ้าคงไม่เป็นอะไรมากนักนะคขจะสารใหญ่คู่บารมีของดารินโบพัดหูอันใหญ่ของมันกระพืออยู่ไปมาแล้วลู่ไปทางด้านหลังเหมือนจะแสดงอาการคาราวะส่งปลายงวงมาแตะแตะดมดมตามหน้าอกและลำคอของเชษฐาจากนั้นก็กระทำเช่นเดียวกับช ย, ยันและอนุชาเช่นกันประดุจช้างบ้านที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้ว ทุกคนยิ่งบังเกิดความเมตตาและรักสนิท ต, ต่อมันยิ่งขึ้นไปอีกต่างกว่าสมัยก่อนที่รู้สึกว่ามันจะเชื่อมก็เฉพาะแต่ดารินผู้เดียวเท่านั้นแสดงว่ามันมีสมองพอที่จะรู้สํานึกในบุญคุณอ่ะหมอบลงด้วยหมอบลงนะเราจะแก้เชือกที่ล่ามขาเจ้าออกละอนุชาร้องสั่งมาช้าชาพร้อมทั้งโบกมือต่าลง ยังแสนรู้ประหนึ่งจะเข้าใจภาษามนุษย์เจ้าด้วนค่อยๆย่ อ, ยยอเข่าลงอย่างเช่มช้าและสุดกายลงในลักษณะหมอบตามคําสั่งโดยดีอนุชาก็สั่งการให้พวกลูกหาดช่วยกันจัดการแก้สายเชือกที่มัดโยงขาหน้าทั้งสองด้านออกในทันทีนั้นอีกส่วนหนึ่งก็ให้ไปแก้ออกจากด้านที่มัดโยงติดกระบวงไหวยันคล้องติดโคนต้นสยาม ซึ่งล้มไปแล้วขณะที่พวกนั้นเข้ามาช่วยแก้ถอดเชือกออกนั้นมันก็ขยับขาขยับตัวเพื่อการแก้เส้นเชือกเป็นไปได้อย่างสะดวกโดยไม่มีร่างกายส่วนใดของมันทับอยู่พอสายเชือกหลุดออกมามันก็ลุกขึ้นยืนระ ง, งานอีกครั้งส่งเสียงร้องแอออกมาเบาๆในลำคอทำถ้าจะเดินดุ่มไปทางป่าทึบอีกด้านหนึง่ง เชิดาตะลันปลาตกไปขวางหน้าไวอ้าวด้วนช้าก่อนจะไปไหนอ่ะเขาจ้องถามดังลั่นอย่างเป็นห่วงมันร้องออกมาอีกแอ้หน่สายหัวโครงอยู่ไปมาแล้วพยายามเดินเลี่ยงอ้อมการขวางหน้าของเชฐดาไปอย่างเช่มช้าเชฐดาทาท่าจะขัดขวางไว้อีกแต่นั้นอินวิ่งมาจับมือในายใหญ่ไว้นายมันกำลังหิวน้าอ่ะ คงจะไปหาน้ำกินใกล้ๆนี่แหละผมไปไม่ไหนไม่ไกลหรอกปล่อยไปก่อนเถอะเดี๋ยวก็กลับมาหาเราเองรับรองนายไม่ไปไหนไกลหรอกเชิาหลีกทางให้มองตามันไปอย่างเป็นห่วงร่างใหญ่โตนั้นเดินดุ่มช้าๆพาตายเข้าไปในดวงทึบปล่อยเศษคโคลนให้หยดแมะแแม่เป็นทางไปตลอดลักษณะของมัน น่าจะแย่ไปทำธุระส่วนตัวของมันเองชั่วขณะมากกว่าการพละเดินหนีไปเะเฉยๆลูอินตามไปดูมันสิอย่างน้อยก็ช่วยตามไปคุ้มครองด้วยเผื่อไปถูกดักรุมอีกถ้ามันไปกินน้ำจริงพอกินน้ำเสร็จก็มันกลับมาที่นี่ปรเดี๋ยวก็ตะเลิดเปิดเปิงไปไหนซะอีกเท่านั้นชยันร้องบอกมาแต่อนุชาเข้ามาตบไหลบอกเรียบๆว่าเฮ้ยไม่ต้องไปตามไปเสียเวลาหรอก เชื่อลุงยินเหอะไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเองไอ้ด้วนน่ยมันโง่ที่ไหนมาจัดการวางแคมป์กันที่นี่เหอะถึงยังไงคืนนี้เราก็ทําอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ละเฮ้ยด้วนเสร็จธุระแล้วรีบกลับมานะโว้ยไม่พอจะแช่งให้ไปตกเหวแล้วคราวนี้ไม่มีใครไปช่วยเองแล้วนะคืนนี้เองก็มานอนกับพวกเราที่นี่เข้าใจไหมชายันป้องปากตะโกน ไล่หลังมันไปทัพ่วราวถูกตั้งขึ้นยังบริเวณโคนไม้ล้มตำแหน่งที่กู้เจ้าด้วนขึ้นมานั่นเองกองฟื้นถูกก่อสว่างโชดอาหารเย็นมือนี้หารองทองกันเพียงแค่ประทังตายจากสเสบียงแห้งที่เหลือติดค้างมาแต่ตอนกลางวันภายหลังจากการตื่นเต้นยินดีที่สามารถตามพบและช่วยเหลือเจ้าด้วนขึ้นมาได้ พอความนึกคิดเดิมหวนกลับมาสู่สมองฝ่ายนายจ้างทุกคนก็เงียบซึมกันไปอีกใช่ทุกคนตามเจ้าด้วนพบแล้วแต่น้องสาวคนเล็กของคณะหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์ซึ่งออกติดตามกันมาตลอดทั้งวันของวันนี้ละ่ะหลอ่นอยู่ที่ไหนไม่พบเ้าวเงื่อนร่องรอยอันเลยเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าจะนับเวลา และระยะทางจากจุดเริ่มต้นที่ล่อนถูกกระแสน้าเชี่ยวพัดหลุดหายจากหน้าผาที่ลงมากับตาทุกคนมันก็เป็นเวลาอันเนิ่นนานและทางอันยาวไกลไม่ใช่น้อยที่ทั้งขบวนยกกันติดตามมาไม่เพียงแต่เชฐาชายันอนุชาหรือนานอินเท่านั้นที่จับกลุ่มมองหน้ากันอยู่เงียบๆแม้ขยินและพวกลูกหาบทั้งหลาย ก็พลอยหุบปากเงียบสงบเงื่องงงอยกันไปหมดนี่มีใครคิดเหมือนฉันมั่งหรือเปล่าเนี่ยในที่สุดชัยยันก็เปลยขึ้นทำกลางการใช้สมองของทุกคนอะไรอนุชาถามมาแผ่วเบาโดยไม่มองหน้าพอเราช่วยด้วนขึ้นมาจากปลักโคลนได้แก้เชือกให้มันเสร็จ มันก็พยายามออกเดินผลาจากพวกเราทันทีเป็นไปได้ไหมในข้อที่ว่าพอมันพ้นจากการติดหลักตัวมันก็ออกมุ่งหาน้อยเลยทันทีอดีตนายพรานชดถอนใจนิดหนึ่งอัดบุรีลึกแล้วสั่นศีสอืมฉันไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคิดว่ามันคงจะไปหาน้ากินหรือไปทำธุระอะไรส่วนตัวของมันละแวกในในไกลๆนี่แหละ สังเกตดูจากอาการที่มันเดินอย่างช้าๆไม่มีอาการเร่งด่วนของมันเรายอมรับกันแล้วว่าเจ้าด่วนนี่มีความฉลาดและแสนรู้เหนือช่างป่าทั่วไปมากแล้วก็มีสัญชตาตญาณรับรู้เป็นพิเศษถ้ามันจะออกติดตามน้อยฉันว่มันคงจะแสดงอาการอะไรสักอย่างเพื่อเราเห็นหรือพยายามที่จะชักจูงให้เราออกติดตามมันไปแต่นี่มันไม่ได้มีอาการอย่างนั้นมันต้องรู้ว่าพวกเราออกมาติดตามหาน้อย และต้องการอาศัยมันเป็นผู้นำทางไม่มีวันหรอกที่มันจะพผละหนีไปตามลำพังอะ่ะนี่แกเชื่อเหรอว่าไอด่วนมันจะรู้อะไรในความคิดของพวกเราขนาดนี้มันจะรู้เหรอว่าน้อยถูกน้ำป่าพัดหายไปเมื่อคืนในเมื่อตอนเกิดเหตุนะ่ะมันไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุด้วยหรือว่างระหว่างที่อนุชานั่งขมวดคิ้วคิด พรครูผู้เฒ่าก็ตอบแทนขึ้นว่านายทหารเชื่อเธอว่าไอ้ด้วนจะต้องรู้หมดทุกอย่างถึงไม่เห็นมันก็รู้ด้วยสัญชาตญาณถ้าเชื่อหนานอินคืนนี้เราจะพักกันอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งคืนขอสว่างค่อยออกติดตามใหม่ไอ้ด้วนจะเป็นตัวนําทางให้เราไปสู่นายหญิงได้ดีกว่าที่เราจะสุ่มหากันเองอย่างสงเดช นั่นไงเสียงกระดึงผูกคอมันดังใกล้เข้ามาแล้วไงไอ้ด้วนกําลังเดินกลับเข้ามาที่พักของเราแล้วแกบุ้ยปากไปทางดงเบื้องหลังกิ่งดังว่ามีเสียงกิ่งไม้ถูกระลู่แล้วเสียงกระดึงไม้ไผ่ลั่นโกรเกเรกใกล้เข้ามาบอกชัดว่าจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเจ้าช้างหางด้วนตัวนั้นเชิดถาจับเวลาดู นับจากขณะที่มันเดินเลี่ยงหลบจากคณะไปเป็นเวลาประมาณสี่หสบนาทีไม่เกินกว่านั้นทุกคนลุกขึ้นยืนไฟฉายสองสัตว์สองสามดวงสว่างจ้าพุ่งไปยังทิศทางที่มาของเสียงเป็นความจริงทุกอย่างร่างอันกลืนมืดของช้างพลายหางด่วนกำลังเดินออกมาจากเงาทึบของป่าเล็บตรงเข้ามาชา้า เนื้อตัวของมันที่เต็มไปด้วยโคลนดูสะอาดสะอ้านขึ้นเล็กน้อยรากับว่ามันไปหาลำธารหรือหนองน้ำที่ไหนชำระล้างมาแล้วอย่างนั้นมันเดินเข้ามาหากลุ่ ม, มนุษย์เช่นเดียวกับช้างเลี้ยงและหยุดยืนโยกกายช้าๆไปมาเอาสีข้างเข้าเสียดสีกับลำต้นของต้นไม้ใหญ่ห่างจากกองไฟที่ก่อไว้ประมาณเจแวาเทฐาลุก ข, ขึ้นเดินตรงไปหามัน ทำให้อนุชาใช้ ย, ยันและนานอินพลอยต้องลุกเดินตามเข้าไปด้วยท่านหัวหน้าคณะมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าห่างจากรัศมีงวงของมันเพียงวาเดียวนานอินเข้ามายืนอยู่เคียงข้างเขาจึงตามที่นานอินบอกว่าไม่ละ่ะนายใหญ่มันไม่ไปไหนหรอกทานเท่าเ อ, อ่ยขึ้นเบาๆมองดูมันอย่างพอใจ ที่ฉันจะพูดกับมันได้รู้เรื่องเหมือนน้อยผู้กำมันไ้ยเนี่ยในายใหญ่สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ปาฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องหรอกนันอินตอบแต่มันก็ยังรู้ได้ด้วยกระแสจิตรู้ด้วยความรู้สึกพิเศษของมันเป็นการรับรู้ของใจต่อใจที่ถึงกัน นายใหญ่เองก็เป็นคนมีศีลมีสัตว์รวบรวมพลังจิตให้มันแล้วก็พูดกับมันเทัดมันจะเข้าใจได้เองเชืทายืนสำรวมสติมัน่นเพ่งตาจับไปที่ดวงตาเล็กของมันที่จ้องมองศพมาแล้วเอ่ยขึ้นช้าๆดวดตอนนี้พวกเราทุกคนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายนะ เพราะการกระทําของเจ้าผีนรกมันไก ร, รวมทั้งตัวเจ้าเองที่ถูกช้างของมันรุมกันเล่นงานผลักใสให้ตกลงไปจมปลักเกือบตายอยู่ในบอ่อโคลนดึกนั่นด้วยขณะนี้นายหญิงถูกน้ำพัดหายไปเราออกเดตตามโดยไม่พบร่องรอยตรงข้ามเรากลับมาพบเจ้าเข้าซะ ก, ก่อนและนี่ก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วพวกเราเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า ไม่อาจจะติดตามค้นหานายหญิงต่อไปได้จนกว่าตะวันจะขึ้นถ้าเจ้าเข้าใจในสิ่งที่เราพูดและคิดนี่จนชุงวงขึ้นในเห็นเพื่อเราจะได้รู้ว่าเจ้าสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของเราในขณะนี้ได้เพียงแค่ขาดคำเชิดาเท่านั้นเจ้าด้วนก็ส่งเสียงร้องแฝนออกมาครั้งหนึ่ง และชูง ว, วงร่อนขึ้นสูงสายไปไหนเชินฐานหน้าแดงด้วยความยินดีและทุกคนก็เห็นประจักษ์กันทั่วทุกคนดีมากดีที่สุดนี่มันเป็นความหมายว่าเจ้าสามารถเข้าใจความนึกคิดความต้องการของเราได้ทุกอย่างเราจะบอกกับเจ้าต่อไปว่าเรามองไม่เห็นทางใดอีกแล้ว ที่จะตามตัวนายหญิงได้ดีไปกว่าการนำของเจ้าแต่ต้องไม่ใช่คืนนี้และก็เดี๋ยวนี้ไงๆก็ต้องรอให้ตะวันขึ้นซะก่อนแล้วก็ตลอดทั้งคืนเจ้าจะต้องอยู่กับพวกเราที่นี่เลยนะจะห่างไปไหนไม่ได้รุ่งเช้าเราจะออกเดินทางด้วยกันโดยเจ้าจะเป็นผู้นำทางท่านหัวหน้าคณะเว้นระยะไปนิดหนึ่ง แล้วกล่าว ด, ดังๆช้าๆออกมาอีกว่าเอาล่ะถ้าเจ้าเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้เจ้าฟังก็ให้ส่งเสียงร้องออกมาย า, ยาวๆสักครั้งร้องให้ยาวเชียวนะด้วนกดจสารใหญ่ผู้เคยเป็นนักเลงโตประจำอยู่ในป่าแถบหนองน้ำแห้งกินแดนไปจนถึงหล่มช้างและห้วยเสือร้อง แต่ไม่เคยปรากฏว่ามันจะฆ่าใครเลยแม้แต่คนเดียวเงยคอสั้นๆของมันสื่งงาขึ้นสูงอ้าปากร้องแปร่นยาวออกมาเหมือนใครเป่าทรัมเป็ตเอาแต่แฉงละครสัตว์ที่ฝึกปรือไว้ก่อนแล้วเป็นอย่างดีเอาล่ะสักเกินแล้ว รูเ้เรื่องที่ฉันสน่งก็ใส่ติดไปบอกมันละเชษฐาดยิ้มขึงๆกล่าวออกมาอย่างพอใจยื่นมือส่งไปให้ด้วนแล้วมันก็เอาปลายงวงบรรจบวางลงบนฝ่ามือเขาซึ่งท่านหัวหน้าคณะก็รูปคลัด้วยความรักสนิทและอีกอึดใจหนึง่งก็หันมาบอกพักพวกทุกคนว่าเอาละตอนนี้เรากลับไปพักนอนกันได้แล้ว วันนี้ยอมรับว่าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากเหนื่อยทั้งกายแล้วใจทุกคนพากันถอยกลับเข้ามายังตำแหน่งที่กำหนดไว้ว่าจะใช้พักนอนช้างใหญ่เดินช้าๆตามหลังเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยและสันดานสนอยากรู้อยากเห็นของมันก็แสดงออกโดยการเข้าไปดมที่กองสัมภาระอันพวกลูกหาบกองไว้ มี่อาการเหมือนจะใช้งวงค้นโน่นหรือนี่นั้นอินกะเคยินเข้าไปแต่เพื่ไล่มันยังไงมันก็ไม่ฟังเสียงแต่ก็ไม่ได้ทําความเสียหายอะไรให้แกกองสัมภาระเหล่านี้อึดใจเดียวมันก็คว้าเอาย่ามหลังประจําตัวของดารินขึ้นมาชูร่อนทรงเสียงร้องแปรนออกมาหลายครั้งติดๆกันทั้งหมดจับตามองอยู่ด้วยความสนใจ นั่นมันน่าจะแปลความหมายได้ว่ามันเข้ามาสุกบดกลิ่และจำสมบัติส่วนตัวของนายหญิงของมันได้มันนำออกมาวางไว้แยกต่างหากจากกองสัมภาระส่วนใหญ่ต่อมาก็เดินหมุนนเหมือนจะค้นหาต่อไปและในที่สุด ก, ก็เดินมาที่กลุ่มของฝ่ายนายจ้างทั้งหมดซึ่งพากันสังเกตอาการของมันเฉยโดยไม่กระโตกกระตากอะไรขึ้น ไรเฟิลจุดสยเวเธอร์บีแมกนัม um, ประจำตัวของดารินที่หนานอินเป็นคนสภพายมาด้วยและขณะนี้วางรวมอยู่กับไรเฟิลขนาดต่างๆของคนอื่นถูกมันใช้งวงคว้าเลือกขึ้นมาอีกนำหิ้วเอาไปวางไว้กับเป้เครื่องหลังของดารินที่มันแยกออกมาก่อนอนุชาจับแขนพี่ชายใหญ่และชา ย, ยันบีบแน่นกล่าวอย่างมั่นใจที่สุดว่าพชักพี่ใหญ่ครับ มันจำของทุกสิ่งทุกอย่างของน้อยได้นะครับแบบนี้ก็เชื่อแน่ได้ว่ามันจะต้องนำเราไปพบน้อยได้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วลครับเจ้าหนี้มันรู้จริงจริงเพียงแต่พูดมั น, ม, นมันพูดไม่ได้เท่านั้นใครอย่าไปเอาปืนกับเครื่องหลังของน้อยที่มันแยกไปต่างหากนั่นย้ายจากที่นะให้มันเอาไปกองรวมไว้แบบนั้นแหละมันคงจะคิดถึงน้อยมากอะและพรุ่งนี้ มันก็จะเป็นตัวนำทางให้แกเราสิ่งที่สะเทือนใจเกิดขึ้นกับคณะทุกคนอีกแล้วเมื่อเจ้าด้วนยืนเอางวงสุดๆดมๆสมบัติติดตัวของดารินพลางน้ำตามันก็ไหลเป็นทางออกมามันจะหมายถึงอะไรทุกคนไม่กล้าเดาพลอยกันพากันนิ่งขึงตะลึงตะลัลกันไปอีกทนายหญิงยังมีชีวิตอยู่ แกก็คงจะอยู่ห่างจากที่นี่มากทีเดียวนันอินพูดขึ้นมาตรงๆใช่ก็คงจะต้องห่างไกลาจากที่นี่มากละเพราะน้อยมีปืนสั้นติดเอวอยู่กระบอกหนึ่งถ้าอยู่ในรัศมีที่ไม่ห่างกันเราก็น่าจะได้ยินเสียงปืนเรียกให้สัญญาณจากเขาบ้างแล้วแต่นี่ตลอดทั้งวันนี้เราไม่ได้ยินเสียงใดๆจากน้อยเลยการนาทางของลุงอินกัขยินนะอาจจะผิดมุมผิดองศาไปก็ได้ เชิท้ายเห็นด้วยขอยเชื่อเธอะว่าน้อยไม่เป็นอะไรมากหรอกขนาดไอ้ด้วน ย, ยังปลอดภัยได้ยังน้อยนะเหรอจะเอาตัวไม่รอดอดีตพรานชดเอ่ยขึ้นเหมือนจะเป็นการปลอบใจทุกคนแต่ภายในใจจริงของเขาคิดว่าโอกาสที่น้องสาวเล็กจะมีชีวิตรอดอยู่นั่งไม่ถึงครึง่งการตามอาจจะพบเพียงแค่ซากศพเท่านั้น แม้ว่าผู้นำทางจะเป็นไอ้ด้วนก็ตามทีเขาแน่ใจว่าเจ้าด้วนนำทางตามได้แน่แต่จะตามพบในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นความหวังมีเพียงแค่ 10% บเปอร์เซนเท่านั้น149เเวลาเดียวกันกับที่คณะติดตามของเชษฐามาหยุดพักอยู่บนเนินที่โคกสูง ภายหลังจากได้ช่วยเจ้าด้วนขึ้นมาจากหลักโครนได้แล้วนี่เองมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ดารินวราฤทธิ์ผู้หลงป่าส้มซานไปตามลำพังคนเดียวได้มาหยุดพักก่อไฟอยู่ในป่าหินเหนือดงกล้วยและนอนลืมตาดูท้องฟ้าคิดคำนึงถึงสิ่งต่างๆอยู่เดียวดายระยะระหว่างฝ่ายติดตามและฝ่ายถูกติดตามแม้จะอยู่ในเส้นทางน้าไหลอันเดียวกันแต่ก็แยกออกไปคนละมุม หากันไม่ต่ำกว่า20กิโลเมตรในเงื่อมเงาป่าดงที่บดบังอยู่มันไกลไกลเกินกว่าที่เสียงปืนหรือเสียงระเบิดที่ใช้ยันใช้ระเบิดต้นไม้เพื่อฉุดดึงเจ้าด้วนขึ้นมาจากลมจะได้ยินถึงกันได้ทั้งสองฝ่ายจึงยังอยู่ในสภาพที่พลัดพรากแยกจากกันและไม่รู้ความเป็นไปของแต่ละฝ่ายด้วยประการชนี้ความหวังของฝ่ายติดตามก็คือรอตะวันขึ้น จะใช้เจ้าด้วนออกนำทางส่วนความหวังที่เลี่ยงไม่ได้ของอีกฝ่ายก็รอตะวันขึ้นเช่นกันและเมื่อ น, นั้นหล่อนจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับมันไรโดยไปกระช้างงาดำของมันสู่มหาปราศาสจิตรางคณางอันเป็นแหล่งเดิมของตนมาตั้งแต่ชาติปางบันโดยไม่รู้อนาคตเบื้องหน้าของตนเองนอกจากจะใช้ไหวพริบปฏิพานความฉลาดเฉลียว และบุญบารมีเก่าที่สร้างสมไว้รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มตัวอยู่เป็นเครื่องปกป้องผองใภเท่านั้นและถ้าย้อนการเวลาหมุนกลับได้นับตั้งแต่ตอนสายของวันเดียวกันนี้เองระพินไพยวันผู้เปรียบเหมือนคนมีกรรมมาบังตาไว้โดยหารู้สักนิดไม่ว่ายอดหญิงอันเป็นที่รักกำลังติดตามกระชั้นชิดเข้ามา รวมทั้งได้เกิดเหตุเพศภยัยใดๆขึ้นเมื่อคืนที่แล้วเขาผู้นั้นกำลังนำคณะนายจ้างอเมริกันทั้งหมดรุดหน้าเดินทางต่อไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับหลังบ่ายหน้าเข้าดงดิบโดยไตยเขาลงมาเป็นระยะระยะเที่ยงพักกลางดงป่าไม้ดึกดำบรรซึ่งคะเนอายุต้นไม้แต่ละต้นไม่ถูกแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาสาหรับเขาซะแล้วบ่าย นำนำออกเดินต่อไปทุกคนเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ารับมือกับการดักโจมตีในรูปแบบต่างๆของจอมพูดมันไตรผู้เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายสารพัดชนิดแต่ก็น่าประหลาดอยู่เหมือนกันในความรู้สึกนึกคิดของระพินเองและพวกพรานพื้นเมืองร่วมตายทั้งสี่คนเพราะไม่มีวิ่แววของฤทธิเดชจากมันไตรในรูปแบบใดๆมาคอยดักเล่นงานคณะพัก ที่บุกตะลุยกันไปในดงดิบนั่นเลยนอกจากภัยธรรมชาติของนรกดำอันมีอยู่ตามปกติเท่านั้นพวกต่อหลุมเถาวันและต้นไม้กึ่งสัตว์กึ่งพืชที่คอยรอดักเหยื่ออยู่หากเฉียดเข้าไปใกล้ดงว่านและใบไม้อันเป็นพิษซึ่งพรานใหญ่และคณะพรานลูกน้องของเขาก็สามารถนำคณะนายจ้างและพวกลูกหาบลีภานพ้นไปได้อย่างปลอดภัยทุกระยะ แม้ว่าบางขนักจะถิวเฉียดกับอันตรายอย่างหวุดหวิดเช่นไรสุภาพบุรุษใัยก็แก้ตกไปได้ทุกทุกปลอกเพราะความช่ำชองชำนานมาก่อนแล้วรวมทั้งวิจรารณญาณที่ละเอียดรอบคอบใช่นรกดำอาจจะยังคงเป็นป่าปิดสำหรับนักเดินดงอื่นใดแต่การย้อนกลับมาในวาระที่สองของเขาริธิเดชความร้ายกาจของมันทาอะไรเขาไม่ได้ซะแล้ว ก็คงมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากต่อการเดินทางของทุกคนซึ่งบางขณะก็ทำท่าจะไปกันไม่รอดเท่านั้นต้องคอยประคับประคองช่วยเหลือให้กำลังใจปลุกปลอบขวัญกันไปทุกระยะและในนรกดำอันแท้จริงแถบนี้แหละที่ฝ่ายนายจ้างอเมริการทุกคนเริ่มจะสำนึกแล้วว่าความยากแค้นแสนสาหัสในการเดินตงนั้นเป็นอย่างไรตกบบาย ผ่านทุ่งอันแห้งแล้งลักษณะเดียว ก, กันกับที่เคยผ่านมากับคณะของเชษฐามาก่อนแล้วในครั้งกระนั้นต้นไม้หาไม่ได้แม้แต่ต้นเดียวนอกจากหญ้าแห้งก้อนหินและความร้อนอบอ้าวของแสงตะวันพื้นดินแห้งแตกระแหงเป็นฝุ่นถ้าจำไม่ผิดตำแหน่งนี้แหละที่มาเรียฮอฟมันเกือบจะเอาชีวิตมาทิ้งซะเพราะความร้อนอ้าวระอุและขาดนา้า และการมากับคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ครั้งนี้โชคดีที่มีน้ำเคมีอันเป็นวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าจากฝ่ายนายจ้างติดมาด้วยจึงไม่ถึงกระทรมานักแม้ว่าน้ำที่บรรจุกระติกและพาชนะอื่นๆจะถูกใช้กันอย่างหมดเกลี้ยงด้วยฝีเท้าอันมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายด้วยความทรห็ดกรงขีดจุดอย่างเป็นธรรมชาติประจากาย ระพินเดินนําไปเบื้องหน้าระยะไม่ห่างนักปล่อยให้สไตลีคีอิสเบลคริสตินา่าและเชิดบุตรกับพวกลูกหากบ ก, กับปลกกับปี้เดินโซเซอยู่เบื้องหลังมีเสียงวิทยุจากหัวหน้าคณะขอร้องให้ระพินหยุดพักเพราะเห็นว่าพักพวกจะเดินกันไม่ไหวแล้วเพราะความร้อนของดวงตะวันแต่ระพินวิทยุตอบมาด้วยสำเนียงเครียดครึมของเขาว่า หยุดไม่ได้แล้วครับด็อกเตอร์ถ้าหยุดเราจะถูกแดดเผาตายเมื่อ น, นั้นเพราะไม่มีที่พักร่มเลยอดทนหน่อยนะครับมีหุบรอคอยอยู่เบื้องหน้าแข็งใจอีกสักไม่เกินสองชั่วโมงก็ถึงครับถ้าเข้าถึงหุบเมื่อไรเราก็พอจะพักกันได้ครับนายคิดผู้สบบดดาเก่งที่สุดณนะวันนี้เขาเหนื่อยรากระหมาหอบแดดและไม่มีเสียงอะไรที่จะสบดออกมาได้อีกแล้ว นอกจากนานๆนนครั้งก็แงนมองดูท้องฟ้าที่มีดวงตะวันแผดจ้าริมฝีปากหมุบมิบเหมือนจะขอความการุณาจากพระเจ้าของตนเองเบนล้มแล้วล้มอีกคล้ายๆกับมาเรียฮอฟมันในยุคนั้นอาการของหล่อนเหมือนจะดับสิ้นชีพแต่คริสติน่าพิสูจน์อีกครั้งว่าแข็งแกรง่งเกินสตรีเพศหล่อนกระเชิดวุธิสองคนคอยทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง หิวปีกแม่ผมแดงสมซานกันไปเชิดวุธนั้นได้พระแร่บางภัยจากระพินที่อมไว้ในปากซึ่งจะเป็นด้วยอุปท า, านหรืออะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าบังเกิดความแช่มชื่นและเย็นภายในอย่างประหลาดพอที่จะติดตามมกุเทศนำทางไปได้ทุกขนทุกแห่งท่ามกลางไอระอุของทุ่งนรกนี้บุญคำเกิดเสยและจันทร์ รวมทั้งพวกลูกหาบทุกคนแม้แต่อูทะพาโต้อันเป็นลูกป่ามาแต่กำเนิดบัดนี้ก็จำเป็นจะต้องอาศัยน้ำเคมีอันสกัดเป็นเม็ดของฝ่ายนายจ้างซึ่งได้รับแจกไว้ก่อนล่วงหน้าอมไว้ในปากแล้วเฮ้ยนายเราวันนี้แข็งแรงเป็นไรเลยเฮ้ยไอ้จันเอ็อจนอจำได้ไหมว่าไอ้ทุ่งแรงร้องไห้นี่แหละที่แม่มารีและพวกเราทุกคนน่ะ เกือบตายซากกันในคราวนั้นจำได้เปล่าเสียงบุญคำบน่นอุบอิบกับพวกลูกน้องซึ่งแต่ละคนขนาดอมน้ำเคมีไว้ในปากแล้วริมฝีปากก็ยังแห้งผากแตกเป็นสะเก็ดและหน้าขาวซีดไปตามตามกันเหงื่อนะออกท่วมตัวเราก็อาบน้ำกันทุกคนไม่มีใครในบรรดาพวกนั้นอยากจะพูดคุยอะไรเพราะยิ่งพูดก็ยิ่งคอแห้ง ก็กลมหน้าก่มตากับฟันเดินไปเรื่อยๆแล้วคอยช่วยเหลือพวกลูกหาบซึ่งบางคู่ก็เริ่มจะล้มลุกคลุกคลานแนะอูทักพัโต้ซึ่งเป็นคู่ที่เดินล้าหลังที่สุดจันได้รับคำสั่งจากรพินซึ่งวิทยุบอกมาให้ไปคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลอยู่พากันถามแทบไม่มีเสียงจากสีหน้าที่หมดหวังว่าเราจะตายกันในทุ่งร้อนนี่ไหมจัน เออคนอื่นก็นยังไม่ตายเองสองคนจะดวนชิงตายซะก่อนเนอะปะโทเสียแรงเป็นลูกไพรจันบอกมาเสียงแหบๆ เ, เอามือตบหัวทั้งสองแล้วชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เห็นแรงบินว่อนเออแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอีแรงมันรอคอยเองอยู่นั่นแหละโดนขู่เขาแบบนั้นเจ้ากระเรียงตะเคียนทองที่อาสาสมัคริปตามมาด้วยพระสานึกในบุญคุณ ก็รีบลุกขึ้นหาบเข้าของร่องแรงต่อไปจันก็เลยต้องแจกน้ำเคมีให้อีกคนละเม็ดคิดสะดุดก้อนหินที่งอกขึ้นมาเล็กๆ ก, กลางทุ่งนรกนั้นลม้มกลิ้งลงอีกคนลแล้วแล้วก็ทำท่าเหมือนจะไม่ยอมลุกเชิดบุตกับคริสติน่าต้องผละจากอิสเบลตรงเข้าไปช่วยประคองร่างอันใหญ่โตนั้นขึ้นมาเป็นไงบ้างคิด นายนั่นดูเหมือนจะเป็นบ้าไปชั่วขณะใช่แล้วพอสงกายขึ้นมาได้ก็ยกปืนขึ้นหมายเล็งไปยังด้านหลังของระพินที่เดินดุมดุมนำไปเบื้องหน้าห่างแค่ยี่สห้าเมตรแล้วก็เหนียวไกลตูมเสียงกระสุนจุดสี่ห้าแปดระเบิดสนั่นทุง่งแต่คริสติน่าตบปากกระบอกปืนเสยขึ้นซะก่อนกระสุนพุขึ้นสู่ท้องฟ้า มุดตบชาดด้วยหลังมือคิดร่วงลงไปนอนตะแคงหายใจขมแมวขแบวไม่กระดุกระดิกกระพื้นดวงตาหลับอย่างคนหมดสติสแตนลีย์ผู้เดินล้ำอยู่เบื้องหน้าหันควับมาพลางวิ่งเข้ามาทันทีเบงก็ปราดตรงเข้ามาด้วยไม่มีใครเห็นอาการของคิดว่าทําอะไรลงไปอย่างไรสติเพียงแต่ได้ยินเสียงไรเฟิลระเบิดก้องและตัวนายคิดก็ร่วงลงไปนอนเท่านั้น สำหรับระพินหันกลับมาเกิดอะไรขึ้นครับก่อนที่เชิดวุฒิจะตอบไปเช่นไรอิสเบนซึ่งมองเห็นเหตุการณ์อยู่ก็รีบวิทยุบอกไปว่าคิดสะดุดขานะ่ะเบินลั่นไม่ถูกใครหรอกและขณะนี้เขาก็เป็นลมขอความกรุณาเถอะนายพรานขอให้เขาพักสักนิดนะบุญคำเสียงจอมพรานสั่งการมาทันที เอาผ้าพลาสติกมาขึงกั้นแดดบางตัวในห้างคิดไว้ก่อนเบคุณปฐมพยาบาลเดี๋ยวนี้แล้วกันผมจะย้อนกลับไปเดี๋ยวนี้เหมือนกันคนที่ดูว่าจะแข็งแรงที่สุดบัดนี้กลายเป็นคนอ่อนแอที่สุดแล้วใช่คิดเป็นลมหมดสติไปจริงๆและโดยสภาพที่เกิดขึ้นเห็นกันตําตาเช่นนี้พวกลูกหาดและพรานพื้นเมือง แม้จะกระปุกกระเปรียรสักเพียงไหนก็ตื่นตัวมีพลังกันขึ้นมาในทันทีต่างตรงกันเข้ามาและให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ผ้าพลาสติกถูกปักเสาขึงชั่วคราวคลุมแสงตะวันบ่ายอันทารุณ น, นั้นไว้ร่างของคี้ถูกนำลงไปนอนราบอยู่ในพื้นที่ลุ่มลักษณะเกือบจะเป็นโพรงคล้ายๆพวกหมาป่าพันหนึ่งที่หากินในถิ่นแห้งแล้งมาขุดไว้เก่าแก่ เครื่องปฐมพยาบาลถูกนำออกมาช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ระพินเดินกลับเข้ามาถึงพอดีสุดตัวลงประขอ ง, าของนายจีไออันบัดนี้ผมทรงลานบินของเขากลายเป็นผมยาวไปใชแล้วเพราะไม่เคยพบกับกันไกลเลยนับตั้งแต่ออกเดินป่ามาน้ำของคนอื่นหมดแต่ของระพินยังเหลืออยู่ประมาณหนึ่งส่วนของ8ของตัวกระติ กรอกผ่านริมฝีปากที่แห้งผากนั้นเข้าไปถึงยังไงมันก็ยังให้ความชุ่มชื่นได้เหนือกว่าตัวยาเคมีที่กันหิวน้ำที่กันหิวน้ำและกระดาษเคมีที่พอฉีกออกกระทบอากาศก็แปลสภาพเป็นผ้าเช็ดหน้าชุบโอิโคโลนจากเครื่องเวชภัณฑ์ของเบลซับไปตลอดทั้งหน้าอันเขียวซีดเหมือนศพนั้นคีดนอนหายใจช่วงสั้นๆอยู่พักหนึ่ง ระดับลมหายใจของเขาเริ่มจะยาวขึ้นแต่ดวงตา ย, ยัางปิดปากพึมพำพูดเหมือนคนเพอ้อต่อมาก็เงียบไปอีกมีไข้ไหมเบลจอมพรานถามขึ้นมาแต่แทนที่จะได้รับคำตอบตรงๆกลับได้ยินคำพูดกลับมาว่านี่ตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นใครโหดร้ายทารุณเท่ากับคนชื่อระพินไพรวันเลย ที่คุณกำลังจะฆ่าพวกเราทุกคนนะเนี่ยสุภาพบุรุษพยักษ์ไหลยิ้มให้ไม่ตอบโต้สาวความยาวแต่บอกว่านะครับทุกคนพักตรงนี้ก่อนจนกว่าคิดจะพอมีแรงและตัวเขาเองก็แยกเขี้ยวแหงนขึ้นไปบนท้องฟ้าที่กำลังจ้าด้วยแสงตะวันอันทารุนป้ายแขนเสือ้อเช็ดเหงื่อที่กำลังจะย้อยเข้าตา พ, พึมพเหมือนจะให้กาลังใจทุกคนว่า วันนี้นเราหนักกันกว่าทุกวันที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่มากนักระเบลคุณเป็นหมอและวชภพัณธ์ที่เตรียมมาพร้อมคุณควรจะรู้ดีกว่าผมว่าคนเป็นลมเพราะความร้อนความเหนื่อยควรจะแก้ไขยังไงอย่าไปดูแรงที่กำลังบินรอนอยู่พวกนั้นเลยมันไม่ได้สบของพวกเราคนใดเป็นอาหารหรอกคุณถ้าไม่มีใครใจสอดยนเกินไปอะสตลีเป่าลมออกจากปากพื้ใหญ่ นี่มันทะเลทรายชัดๆระพินทำไมคุณไม่หาทางหลีกเลี่ยงพาเดินตัดลงมาในทุ่งนรกนี่ได้ตั้งสามสี่ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดเลยพวกเราน่พอจะทนหนาวได้แต่อร้อนตับแทบแตกแบบนี้อ่จะไปกันไม่ไหวนะคุณมันไม่มีทางเลี่ยงทุ่งแห้งนี่ได้เลยครับ เราเข็มทิศเน่ยชี้บอกไว้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้กว้างใหญ่เกินไปนักหรอกผมบอกแล้วไงครับว่าอดทนอีกนิดเดียวอะเราก็จะถึงหูพอจะหาที่ร่มรื่นได้แล้วเขาตอบมาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเอื้อมมือมาคลําที่ใบหน้าและซอกคอของคิดบอกต่อไปว่าเขาเสียเหงื่อมากนี่คุณทําไมคุณไม่เกลือกับเขาล่ะเนี่ยบ้าสิ อิสเบลจ้องตาสีน้ำตาลเข้มมาทางเขาคอนปรับปลเหลือกกลางแดดเผาปเปรียงท่ามกลางความแห้งแล้งราวกับทะเลทรายที่จะต้องเดินกันต่อไปแบบนี้โดยยังไม่มีที่พักที่ดีกว่านี่ขืนให้เกลือเข้าไปก็เหมือนจะฆ่าเขาให้ตายเร็วขึ้นเพราะความกระหายน้าคุณมีน้าเหลืออยู่ไหมล่ะหมดครับรินเทกระติกอันว่างเปล่าให้ดู เราน้ำกันมาอย่างเต็มที่แล้วแต่มันก็หมดภายในบ่ายวันนี้เองเพราะทุกคนใช้น้ำมากเหลือเกินแล้วนี่น้ำเคมีของคุณไม่ได้ช่วยเขาหรอกเหรอเบลเบลไม่ตอบแต่ทำปากในลักษณะสาบแช่งเชิดบุตร น, นั่งเอามือกุมขมับหายใจหนักๆส่วนคริสติน่าทอดดวงตาสีฟ้าอันแห้งผากจับมาที่เขาเหมือนจะค้นหา แต่ก็ไม่พบพี่แววพิรุษกลั่นแกล้งใดๆจากมักคุเทศผู้นำทางเลยพอรพินหันมาสบตาหล่อนก็ถามว่านี่คุณคุณแปลความทรหดเรากระแรกมาจากไหนนะในพานรานรพินเลิกคิวขึ้นตอบด้วยเสียงปกติธรรมดาของเขาว่าก็จากราคาค่าจ้างให้นำทางของพวกคุณยังไงล่ะและมักคุเทศนำทางก็ควักกระเป๋ หยิบตลับยาอมเก่าๆลักษณะแบนๆดูหน้าทุเรศออกมาเปิดฝาออกแล้วหยิบเอาสิ่งหนึ่งและดูเหมือนไม้ที่ฝานไว้เป็นชิ้นบางๆแห้งๆส่งมาให้เบลบอกง่ายๆว่าเอ้าถ้าคุณเชื่อผมก้อยคิดอมไว้อีกสักประเดี๋ยวเดียวเขาจะมีกำลังแล้วก็หายอ่อนเพลียได้รวมทั้งบรรเทาความกระหายน้ำด้วยอะไร หมอเบญรับมาพิจารณารู้แต่เพียงว่ามันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งก็แล้วกันผมก็บอกคุณไม่ถูกเหมือนกันว่าในภาษาละตินมันจะเรียกอะไรแต่ถ้าไม่เชื่อผมก็อย่าทิ้งเอาคืนมาผมมีไม่มากนักหรอกผมเองก็ไม่ได้สบายไปกว่าพวกคุณนะักแล้วก็สาบานได้ว่าผมยังไม่ได้ใช้มันเลยก็เก็บสงวนไว้พวกคุณนั่นแหละถ้าเห็นว่าจะไปกันไม่ไหวจริงๆ ระหว่างที่เบลยังลังเลอยู่คริสติน่าก็พยักหน้าสั่งมาว่าอืเชื่อเัาชีวิตพวกเราอยู่ในกามือของชายคนนี้มาตั้งแต่ออกจากหนองน้ำแห้งนะถ้าเขาซื่อตรงเราปลอดภัยและรอดทุกคนแต่ถ้าเขาทรยศบิดเบี้ยวเมื่อไรเราตายจอมพลานชะโงกหน้าเข้ามาใกล้ขูของคริสตินาบอกเสียงเฮาๆอ่ะ ประทานโทษครับคนชื่อรพินไทยวันทรยศบิดเบี้ยวกับใครไม่เป็นครับไม่งั้นตายในป่านานแล้วเอาละ่ะฉันเชื่อคริสติน่าบอกขณะที่ผลักหน้าเขาห่างออกไปและรับชิ้นสมุนไพรแห้งนั้นมาจากมือเบลจับยัดเข้าไปในปากที่อ้าออกหายใจของนายคีดไว้ก้มลงกระซิบ อมไว้นะคิดในคิดดูจะได้สติขึ้นมาบ้างแล้วอมสิ่งที่คริสติน่ายัดเข้าปากโดยดีแล้วพึพมพำออกมาว่าไอ้บ้าเดือดจะมันตายหาหรือยังฉันกะยิงหัวมันเลยนะต่เกียรระพินชะโ ง, งกหน้าเข้ามาใกล้คิดอีกครั้งบอกว่ามือนายนินร็เล ร, ระยำเลยวะไม่ถูกฉันหรอก แต่ไปถูกตูดอีแรงที่บินรอคอยแดกศพนาอยู่นู่นซ้ํายังไม่ตายซะอีกแค่ขนหางกระจุยไปเท่านั้นเองคณะพักไม่มีใครสนใจกับคําพูดโต้อตอบของทั้งสองเพราะก็รู้เส้นคุ้นๆกันดีอยู่แล้วอีกฝ่ายนึงมุทะลุหยาบกระด้างพูดออกไปด้วยอาการที่สติยังไม่ค่อยจะอยู่กับตัวนักอีกฝ่ายหนึ่งก็ปากจัดและแดกดันระคนเฮียมเกรียมและโดยแท้จริงแล้ว ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีอะไรด้วยกันทั้งนั้นพวกนายจ้างทั้งหมดพากันอาศัยบังเงาแดดภายใต้ผ้าพลาสติกปูนอนที่ขึงลวกๆแม้กระแสลมที่พัดผ่านมาก็ยังพัดเหมือนผ่านเตาแ้ะพินเองก็ไม่ดีไปกว่าคนอื่นๆนักเพียงแต่ว่าธรรมชาติเคยชินกับความ ก, ากรากกร้มมาตลอดชีวิตทำให้ได้เปรียบในด้านความอดทนเท่านั้นเบยนแผ่นกระดาษเคมี อันเปรียบเสมือนผ้าแช่เย็นแจกจายไปยังคณะพักทุกคนเว้นจอมพรานคนเดียวซึ่งหล่อนไม่ยอมหยิบยื่นส่งไปให้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจจะเป็นด้วยความใจแคบหรือเจตนาจะกลั่นแกล้งเอาบ้างก็ไม่มีใครรู้ต่อเมื่อคริสติน่าซึ่งได้รับมายื่นส่งของหล่อนไปให้นั่นแหละเบนจึงเอาออกมาส่งให้คริสติน่าเป็นการทดแทน มะคุเทศหน้าหินแทนที่จะฉีดออกมาซับหน้าเหมือนทุกคนก็กลับเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้ออย่างไม่ยินดียินร้ายเพียงแต่เอาชายผ้าเข้ามาที่เขียนเอวอยู่แตะซับไปตามใบหน้าและซอกคอเท่านั้นแล้วแทนที่จะถามไปยังนายจ้างคนใดอีกระพินกลับเอื้อมือไปจับเข่าบุตรชายทานายพลถามปลยิ้มขึงขึ้งว่าไนบ้างน้องชาย เชิดหุดอ้าปากให้มองหินพระแร่บางไผยซึ่งเขามอบไว้ให้แล้วหุบปากลงโดยเร็วพี่ครับมีทําไม่ได้สิ่งประหลาดศักดิ์สิทธิ์อย่างมหาศจันทร์ของพี่ผมว่าผมคว้าไปก่อนคนอื่นแล้วเก็บไว้ดีครับถ้ายังไม่ถึงกะเนื้อยากลำเค็นจริงๆแล้วแล้วคนส่วนมากก็จะไม่เชื่อและไม่เห็นคุณค่านะขอมอบเป็นของขวัญให้คุณตลอดไปเลย ค่าที่อุตส่าห์กล้ามาเสี่ยงตายกับพวกนี้บุตรชายท่านนายพลยกมือขึ้นไหวพึพรรมพำขอบคุณสายตาที่มองมายังพรานใหญ่เต็มไปด้วยประกายเขารบรักเลื่อมใสและศรัทธาเต็มเปีย่ยมสองคนนี้ผู้รากันเบนถามมาเสียงคุนหว น, หวนระพินสันหน้าไม่มีอะไรหรอกคุณสตาลีงัดสิก้าออกมา แต่แล้วก็ชะ ง, งักเมื่อเขาคว้าข้อมือไว้อย่าเพิ่งสูบตอนนี้ครับเพราะมันจะทำให้คุณหมดแรงและคอแห้งขึ้นไปอีกเมื่อนั้นหัวหน้าคณะค้นหานิวเคลียร์จึงนึกขึ้นมาได้เก็บลงกระเป๋าเสื้อตามเดิ ม, พ, มพึมพำมาว่าอืมวันนี้รู้สึกคุณจะแข็งแรงดีเหลือเกินนะระพินครับและพรุ่งนี้ผมอาจจะอ่อนแอกว่าพวกคุณทุกคนก็ได้ ของอย่างนี้มันเอาแน่ไม่ได้หรอกครับผมมันชาติควายยิ่งงานหนักก็ยิ่งแข็งแรงแต่ถ้าอยู่สบายดีมันก็จะไปนอนเป็นนี่อยู่เสมอแหละจริงฉันเห็นด้วยคุณน่ะมันควายจริงๆแหละเบนสวนตอบมาโดยเร็วคริสติน่าตะวาดแม่ผมแดงเบาวๆว่าอุปากถ้ายัางไม่อยากนอนตายแห้งเนคางคกตายซากอยู่ในทุ่งนี่อิเบลเบะปากนิดนึง ฉันเป็นแพทย์ประจำคณะถ้าใครปล่อยฉันตายคนนั้นก็โง่ทันทีแล้วแลวหล่อนก็บ่นออกมาเบาๆว่าฮ้อไอ้น้ำเคมีที่เขาแจกมาให้เนี่ยมันใช้ได้ดีเฉพาะอยู่ในยาอวัาศเท่านั้นแหละแต่บนพื้นโลกมันแทบไม่ได้ความเลยมันก็ไม่เลวนักหรอกคุณไม่งั้นพวกคุณไม่มีแรงเดินตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่น้าของเราหมดแหละระพินตอบ แล้วเปิดตลับอีกครั้งหยิบก้านไม้แห้งที่ฝานไว้บางๆชนิดเดียวกับที่ให้คีดอมออกมาบีออกชิลละสองสี่แจกจ่ายไปยังทุกคนยกเว้นเชิดบุทและคีดซึ่งอมเข้าไปก่อนแล้วบอกว่าอ่ะตามีตาเกิดทดลองกันดูว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ผลกว่าน้ำเคมีของคุณไหมถ้ากลางบรรยากาศรอบด้านที่เหมือนกับทะเลทรายแบบนี้คราวนี้ไม่มีใครลังเลหรือปฏิเสธ แต่วางไว้บนลิ้นทันทีรสชาติของมันขมคืนในตอนแรกจนเกือบจะต้องคายทิ้งแต่พอสัมผัสกับ น, น้ำลายก็เริ่มแปรเป็นหวานปะแหลมปะแหลมแล้วก็หวานขึ้นทุกทีเรียกน้ำลายอันเคยแห้งผากให้ลังออกมาความชุ่มชื่นกระปรี้กระเป่ากลับคืนมาอย่างรวดเร็วคริสตินา่าสเตลลีและอิสเบพากันมองตากันเองแต่ไม่มีใครเอ่ยปากคาใดออกมา พระตนกกันดีอยู่แล้วว่าในป่ากันดานแล้วมักคุเทศนำทางผู้นี้มีสิ่งมหัศจรรย์แฝงซ่อนอยู่ในตัวชนิดคาดคิดไปไม่ถึงเสมอมันเป็นข้อพิสูจน์ย้ำว่าเหตุใดเขาจึงสามารถบุกป่าฝ่าดงเอาตัวรอดมาได้โดยตลอดนี่คุณทำไมไม่เอาออกมาแจกพวกเราเแต่ะแรกต้องรอ้อยเกือบตายซะก่อนอยางเงี้ยเบรนเล่นงานเขาอีก มันก็ต้องให้เกือบตายสักก่อนแบบนี้แหละพวกคุณถึงจะรู้คุณค่าเอามาแจกแต่แรกพวกคุณก็คงจะแอบโยนทิ้งหมดแล้วก็ขอบอกให้รู้ล่วงหน้านะครับว่าในบางภูมิประเทศที่เราจะผ่านไปนะ่ะอุณหภูมิจะลดลงต่มกว่าศูนย์องศาพวกคุณก็ไม่ต้องกลัวหนาวแข็งตายตราบใดที่ผมและคนของผมทั้งสี่คนนี้ยังอยู่นี่คุณ ลรวรู้สึกว่าเราจ้างคุณถูกไปแะละ้วฉันหมายถึงราคาคริสติน่าพูดเสียงต่ำๆรบพินหัวร้อครับถ้าไม่ตายกลับไปได้พวกคุณจะเพิ่มราคาให้ผมอีกก็ไม่รังเกียจที่จะรับนะครับสตตลีถามตัดมาว่านี่ระพินลูกน้องพรานของคุณบอกผมว่า คุณเคยผ่านทุ่งทารุณ น, นี่มาก่อนแล้วเหรอผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นทุ่งเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ลักษณะมันก็คล้ายๆกันน่ะแล้วไม่มีอะไรเป็นที่สังเกตเพื่อบอกให้รู้ได้ว่าจะเป็นทุ่งเดียวกันหรือเปล่าไอ้ลักษณะทุ่งแห้งแรงกว้างขวางอย่างนี้นะ่ะมันมีอยู่ทั่วๆไปเท่าๆกระดงดิบป่าหินบอกตามตรงครับว่าผมนําทางพวกคุณโดยอาศัยเข็มทิศเป็นเกณฑ์คร่าวๆ แต่ประสาทสัมผัสเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าครับระพินขอทราบอีกครั้งนะตอนนี้คุณยังมุ่งที่จะค้นหาซากนครโบราณแห่งนั้นให้ได้ใช่ไหมแต่ลีถามมาครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางพวกเราทั้งหมดผมต้องมุ่งเข้าหานิทรานครก่อนให้ได้มิฉะนั้นเราจะถูกริดเดดของมันตรมันตามรังควานไม่สิ้นสุดเรากาลังมุ่งเข้าหามัน ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นฝ่ายจ้องโอกาสที่จะเข้าหาเราอย่างที่แล้วแล้วมาหรือทางคุณจะตั้งเข็มในการเดินใหม่ยังไงก็บอกนะครับผมจะได้ปฏิบัติตามได้เอาเอาระพินเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผู้นําทางอย่างคุณแล้วกันทางด้านผมนะ้หมดความสามารถไปตั้งแต่วิทยุไม่อาจติดต่อกับหอบังคับตักการได้แล้วไอ้ที่ถามก็เพียงขอความแน่ใจเท่านั้นนะ่ะผมไม่มีอะไรจะโต้ยแยงแ้งหรอก คิดผู้นอนหายใจแรงๆอยู่บัดนี้ลืมตาขึ้นพร้อมทั้งดึงกายขึ้นนั่งสติสตังดูจะกลับคืนมาแล้วโอเคเดินต่อขอโทษที่ดับเครื่องไปชัว่วขณะแน่ใจนะจะพักอีกสัก5านาทีก็ได้คิดระพินถามมาด้วยน้ำเสียงปกติเออแน่ใจ เปลือกไม้ที่นายให้ใครไม่รู้ยัดใส่ปากฉนันน่ะมันช่วยฉันมากทีเดียวระพินยิ้มนิดหนึ่งโบกมือกับคนของเขาเป็นสัญญาณให้เตรียมตัวเคลื่อนย้ายต่อแล้วพยักหน้าไปที่ไรเฟิลของคิดนายทำกระสุนในปืนหายไป น, นัดหนึ่งเพราะฉะนั้นยัดใส่เข้าไปต็มัตราซะตามเดิมคีดยิ้มเจเจื่อนควาไราเฟิลจุดสี่ห้าแปดประจาตัวขึ้นมา ตบลูกเลื่อนขึ้นกระชากปลอกที่ยิงแล้วซึ่งยังคาอยู่ในรังเพลิงให้กระเด็นออกมาแล้วอานัดใหม่ในกระเป๋าเสื้อยัดเข้ารังเพลิงแทนค่อยๆกดนัดที่อยู่บนแมกกาซีนให้ต่ําลงเพื่อให้หน้าลูกเลื่อนเดินผ่านพน้นแล้วอุบไกค้างไว้ตบลูกเลื่อนลงตามเดิมผูดเสียงอุบอิบมืว่าเออขอโทษวะฉันไม่รู้สึกตัวว่าฉันทําอะไรไปในตอนนั้น นายก็ยกโทษฉันด้วยแล้วกันนะระพินไม่ตอบอะไรตบไลคิดโดยแรงครั้งหนึ่งแล้วลุกขึ้นยืนอีกไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทั้งคณะก็รุดหน้าต่อไปด้วยพลังที่ดื้อขึ้นเพราะได้มีโอกาสพักแม้จะชั่วระยะเวลาสั้นๆก็ตามคีดมีอาการขัดเคล็ดที่คอโดยไม่รู้ตัวว่าถูกเชิดบุชซัดคว่ไปตอนยิงไรเฟิลก่อนจะลม้ม เอียงดักคออยู่ไปมาบ่นว่าเอ้คอฉันทำท่าคล้ายจะเคล็กวะไม่รู้เป็นอะไรหรือว่าล้มไปตะกี้มู้ใช่เธอล้มเอาหัวทิ่มลงดีนะที่เชิดวุตรรับทันก่อนที่หน้าจะถ่าไหลลงไปกับพื้นคริสติน่าซึ่งก็เป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ตอบกลบเกลื่อนมาให้แต่เชิดวุธบอกมาเสียงห้วนๆตามตรงว่า ไม่ใช่รอกฉันเอาหลังมือซัดเขาไปอ่ะตอนที่นายบ้าหมดสติยิงปืนออกไปตอนนั้นคริสเป็นคนตบเสยปากกระบอกปืนนายขึ้นให้ได้ทันไม่งั้นมักคุเทศนำทางของเราอาจตายไปแล้วก็ได้แต่ย้ำเวนคิดจี้ไอร่างยักษ์ผู้เชี่ยวชาญทางการบินของทัพ บ, บกสหรัฐยิ้มแห่งๆโอ้โทษทีวะก็โทษจริงๆบอกแล้วไงคนกาลังหมดสติ มันก็ทำอะไรได้ทั้งนั้นแหละขอบใจทั้งบูรทั้งคริสนะแล้วก็ขอโทษด้วยขอโทษอีกทีจริงๆ